นาจะนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นของพระองค์ใดนัานมีแบบฉบับความจริงตายตัวอันเดียวกันเป็นธรรมชาติที่ละเอียดละเอียดอ่อนมากทีเดียว เพราะเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติตามซึ่งเป็นความเคยชินมาจากสิ่งที่หยาบโลนฝังใจยอยู่แล้วจึงต้องฝืนกันทุกระยะของการปฏิบัติตามหลักธรรมไม่ฝืนก็ไม่เรียกว่าเราชนะสาสางสิ่งที่ศกกรก มึงเคยฝังจมอยู่ภายในใจมาเป็นเวลานา น, านเพราะสิ่งที่เคยฝังจมอยู่นานๆ น, น, นั้นย่อมแก้ยากถอดถอนยากแต่พูดถึงการชาล้างก็ชาล้างยากเป็นหนึ่งว่าเป็น เลือดเนื้ออันเดียวกันกับใจมีการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเฉพาะอย่างยิ่มนักบวชเราจะนำนิสัยของโลกมาใชา้มันก็เป็นโลกไปเสีย เพราะนิสัยนั้นออกมาจากลากงาเงาข้อมูลแห่งความโศกโกรธคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในใจอากับกิริยาการแสดงออกของกิจไม่ว่าจะเป็นแง่ใดเป็นไปตามวิสัยของกิเลสที่ฝังอยู่จมอยู่นนั้นทั้งนั้น เราอย่าว่าแทบทั้งนั้นเลยว่าทั้งนั้นนี่ตามปกติของผู้ไม่รับการอบรมทางด้านศีลธรรมและไม่มีการแก้ไขดัดแปลงตนบ้างเลยยอมมีแต่เรื่องของกิเลสอาศวะออกแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็ออกมาทางการทางวาจาความประพฤต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 เต็มใจเห็นคุณเต็มใจแล้วอันนั้นไม่ได้ฝืนมีแต่การดูดดื่มทางความดีความเพียรทุกประโยคเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความดูดดื่มเป็นไปด้วยความเห็นโทษเห็นคุณอย่างแท้จริงสำหรับขั้นเริ่มแรกนี้ร้อยทั้งร้อยต้องได้ฝืนกัน พวกเรานี่ปอกร้อยทั้งร้อยจะไม่ฝืนอย่างไรการมาบวชก็คือแสดงเจตนาของตนอย่างเป็นที่ตนเองก็รู้คนอื่นก็รู้ว่าจะมาบำเพ็ญคุณงามความดีในขณะเดียวกันก็เป็นการมาชำระาาสาสมสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอย่างน้อยก็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 เป็นที wow, ่น่าชื่นชมภายในตนเองนี้จะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่มีการตื่นกันเพราะกำลังของฮี่เลกมีมากดึงดูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าการสถานที่อียาบกแต่ธรรมชาติที่ดึงดูดอยู่ภายในตัวเอง ให้กิดดึบปิดแนบอยู่ในนั้นดีดตัวออกมาไม่ได้กางที่จะดีด ต, ตัวออกมาได้บ้างเล็กๆกน้อยๆยนั้นต้องอาศัยการฝืนการประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมอันเป็นทางถูกต้องแล้วที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ออกมาได้โดยนลำนับ <EN _ S> เมื่อเห็นเป็นทางที่ถูกก็ต้องอุสายพยายามทําโลกเขามีงานประจำตัวของเขาทุกๆุกคน ไม่มีใครจะนอนอยู่เฉยๆในโลกนี้เพราะธาตุขันธ์ความจำเป็นมีความบกคร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาต้องไปหามาเยียวยานอกจากนั้นก็ยังเป็นไปเพราะอำนาจของจิตเป็นเครื่องดึงดูดหรือฉุดลากไปอีกให้เย์ทยานฟุ้งเฟ้อเหิมจนเลยความพอดิบพอดีกลายเป็นเรื่องโกยทุกข์เข้ามาเผาลนตนเองขึ้นอีกมากมายตัเอง โดยที่ตนเองก็ไม่ทราบว่านั้นคือความผิดจึงต้องทำลายตนเองนี่พูดถึงเรื่องการงานของโลกทุกยากลาบากก็ต้องได้ถูถยกันไปแม้ว่าคมมีคนโกรคนโงค่คนฉลาดจำเป็นต้องทำงานจำเป็นต้องฝากฝืนจำเป็นต้องสมบุกสมบันในงานนั้นๆ ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเยียวยารักษาหรือความเป็นอยู่ให้สืบต่อกันไปได้ตามความต้องการ น, นี่คุณทราบว่าโลกมีงานอยู่อย่างนั้นที่ทางด้านธรรมะคือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทรงธรรมเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ทรงธรรมโดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยตรงแล้วงานของนักบวชคืองานของพระนี้เป็นงานประเภทใด ขยอมเป็นไปตามเพศของพระซึงกรเรียกว่า ง, งานอันหนึ่งเหมือนกันนี้เราในตั้งหน้าตั้งตา ม, มาแล้วพร้อมทางการประกาศให้โลกทราบตลอดทั่วถึงว่าเราเป็นนักบวชได้ปริยาณตนเพื่อความเป็นพระแล้วตั้งแต่บรรพุระชาวสมุทรทีแรกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัด น, นี้ตัวเราก็รู้ได้อย่างชัดเจนนี่ ง, งานประจำเพศของเราประจาหน้าที่ของเราคืออะไร ก็คือการชำระสัสาสากิเลตประเภทต่างๆซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจอันไม่ทำให้เกิดความสุขความสบายอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยแม้จะเกิดขึ้นบ้างก็เพื่อความทุกข์แต่ตามมาในขณะต่อไปนั่นเองหน่วงานของเราคื อ, คองานฝึกฝนทรมานจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยพิษภยัยภายในจิตใจตัวพยศคือกิเลสประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะมีมากมีน้อยเป็นตัวเสนียดจันไเป็นตัวพิษตัวภัยต่อจิจใจทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสประเภทใดประเภทหนึ่งจะมาให้คุณแก่เราพอที่จะนอนใจตายใจแล้วเคริมหลับไปตามเพลงเพลงกล่อมของมันนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เคริ้มหลับไปตามเป็นกล่อมของกิเลสว่าเป็นเพลงที่ไเราะเพราะพิญ ผลของมันจะทำให้รับความสุขความสบายไม่ปรากฏในกัมพีรใดๆทั้งสิ้นนอกจากตําหนิตีเตียนทุกประเภทของกิเลสซึ่งมีภายใจิตใจจงถอดถอนมันออกเสียให้หมดเท่านั้นเป็นที่พอประทัยของพระบุตรจกักรที่ทรงสั่งสอนสามโลกด้วยพรามเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอเหมือนงานของพระเป็นงานที่ละเอียดละออ เป็นงานตัวอย่างของตัวเองด้วยเป็นงานตัวอย่างของโลกให้ยึดไปประพฤติปฏิบัติดำเนินตามตามขั้นภูมิของเขาด้วยเราจึงไม่ควรจะปวดพแผลปวดแผลทำลายโดยไม่มีสติสตังแบบโลกโลกอย่างนั้นใช้ไม่ได้การทําทจริงได้ประกอบจริงได้ต้องมีความระมัดระวงังมีสติมีปัญญารอบตัวอยู่เสมอในงานนั้นนั้นเฉพาะอย่างนี้งานจิตตภาวนาจะปราศจากสติไปไม่ได้นี่เป็นงานสําคัญมาก สติเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องติดแนบ ก, กับงานไปอยู่โดยสม่ำเสมอทกุก็ยอมรับมาทุกเพราะเราทำงานจะนอนอยู่เฉยๆให้กิเลสตัณหาสวัสด์มันตกพวดพลาดพวดพ ล, ลาดไปจากจิตใจกลายเป็นความรุ้สึกมาอย่างนี้ไม่มีในรูปในนามในบุคคลคนใดในจิต ด, ดวงใดเราอยา่าคิดให้เสียเว ล, ลาอย่าละเมอเพอ้อฝันไปด้วยการวาดภาพต่างๆ อันเป็นเครื่องหลอกตนจากคิเดตอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความเพียรของตนจะหนักเบามากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเทลงไปการประกอบความเพียรได้ได้รับความทุกขในการประกอบความเพียรทุกประโยชน์โดยความชอบธรรมนี้จะเป็นผลให้เกิดความสุขไม่มีอันใดที่จะทําให้ร่มโฉมเสียหายไปเพราะความเพียรและความทุกขนั้นๆเลยเราจึงไม่ควรเสียดาย ความถูกความสบายเพียงอยู่เฉยๆหรือปล่อยไปตามกิเลสมันไม่ใช่ธาหินักปฏิบัติเราเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ยอมฝืนฝืนบ้างเล็ ก, ลก น, น้อยก็ให้กิเลสมาวาดภาพหลอกไปเสียฉุดลากไปเสียคําคําเพียงเท่านั้นนาทีเท่านี้นชั่วโมงความจริงไม่ทราบว่าสติมันอยู่กี่นาทีกี่วินาทีภายในความเพีย่ยนไหน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 ความสงสัยก็ที่เป็นมามากน้อยก็ได้เป็นมาแล้วได้ผ่านมาแล้วด้วยการพรุทธปฏิบัติหายสงสัยก็หายสงสัยด้วยข้อบพุทธปฏิบัติความรู้ความเห็นความเข้าใจตามหลักธรรมนั้นๆแล้หายสงสัยมาเป็นลำดับๆจนเป็นที่แน่ใจและการอสอนออกไปก็ไม่มีที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นทำขั้นไหนเราสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความแน่ใจทั้งนั้น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 เต็มไปด้วยสมาธิเต็มไปด้วยศีลเต็มไปด้วยปัญญาทุกขั้เนเต็มไปด้วยวิมุตติพ้นสำหรับผู้ผู้ผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวัสดิธรรมแล้วผลจะพึงจะรับเป็นขั้นๆภูมิภูมิไปอย่างนั้นไม่สงสยัยไม่ว่าครั้งใดสมัยใดเพราะศาสนธรรมเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาอยู่ด้วยความชอบจึงเรียกว่าสวขสดธรรมจาสไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพระหนึ่งว่าพระองค์ มาประทานพระโ อ, อวาท ด, ด้วยพระโอษของพระองค์เองอยู่ต่อหน้าเรานี้ยาทําอย่างนั้นก็เหมือนอย่างพระองค์เปล่งพระวาจ aja าออมาเองให้ทําอย่างนั้นก็เหมือนพระองค์รับสั่งออกมาด้วยพระโอษของพระองค์เองนี่สดร้อนรอนอยู่อย่างนี้ถึงแน่ที่ท่านรับสั่งกับพระอนุนว่าทาพระธรรมแล้วทําวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดราแทน เราเมื่อเราได้ผ่านไปแล้วจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราในการที่เราล่วงไปแล้วรู้ถึงว่าซึ้งจริงๆศาสนาก็คือนี้แนวทางที่สอนว่า น, นี้สดสดร้อนรอน้ไม่มีว่าเมื่อวานไม่มีคําว่าเมด่อทุ่งนี้มาเลยเป็นความจริงอยู่ในปัจจุบันนำมาคือปฏิบัติกรรมจัดที่เหลือได้ใ น, นหลักปัจจุบันปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราจรึงควรเน้นหนักในความเขียนให้มาก อยู่กันหมู่มากมันวนเรน่ะผมผู้ปกครองรู้สึกว่าหนักพอมองไปแงใดมุมใดมันสะดุดสะดุดไม่ได้ประมาทหมู่เพื่อนไม่ได้ยกตนว่าสูงกว่าหมู่เพื่อนไม่ได้อวดตนว่าฉลาดยิ่งกว่าหมู่เพื่อนสิ่งที่ขัดต้องบอกว่าขัดในฐานะว่าเราเป็นอาจารย์ที่จะแนะนําต้องสอนหมู่เพื่อนให้ถูกต้องดีงามทุกแง่ยทุกหมูมจนหาที่ต้องตีไม่ได้เรามีความมุ่งหวังอย่างนั้นจึงต้องพยายาม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 นี่เป็นความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าภายในจิตใจจึงไม่เคยรลดแหละแม้ว่าจะแนะนำสั่งสอนในแง่ในบูมใดต่อหมู่คณะไม่เคยหล่อเลเอาจริงเอาจังพอเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจริงๆสิ่งใดเป็นภัยต้องบอกทันทีสิ่งใดเป็นคุณก็บอกจำจำจี้จ้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาพอให้ถูกให้แม่นยาเข้าไปโดยลํหนับ อะไรจะเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแม่นยําที่สุดยิ่งกว่ า, าศาสนธรรมในการดาเนินตามเพื่อความราบรื่นดีงามแก่เราจะเป็นขั้นใดปู่มใดปุ่มใดไม่นอกเหนือไปจากหลักธรรมนี้เลยซึ่งมีหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัติจะพึงนําไปปฏิบัติและได้รับตามปัติกําลังความสามารถของตนแต่เป็นสินค้าก็ใน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 เรื่องโลกเป็นของอนิจจงธาตุขันธ์ของเราเป็นของอนิจจงไม่ใช่เป็นของเทียมแน่นหนามั่นคงอะไรการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักธรรมชาติของมันไม่มีใครบังคับบัญชามันได้เปลี่ยนแปลงในทางเป็นเปลี่ยนแปลงในทางตายเป็นไปได้ทั้งนั้นอืในการพับภาคจากกันไปอย่างนี้ว่าจะจากเป็นจากตายมันจากกันได้ทั้งนั้นจึงไม่ควรนอนใจ เวลามาอยู่กับครูอาติครูวาจันให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทุก็ยอมรับว่าทุกสิเราเกิดมาในทถ้ำกลางแห่งทุกที่กิเดสผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาให้แบกให้หามีตรลัดเวลาทําไมไม่เบื่อหน่าอิ่มพอนั่นคือคองทุกแท้ๆความทุกเพื่อความด้วยความภาคยันที่จะเอาบร ม, มสุขมาครองหัวใจนี้ทําไมจึงจะเห็นว่าเป็นทุกนี้เป็นพัยยิ่งกว่าทุกท้องหลายที่กิเดสผิดขึ้นมาตั้งกลับตั้งกันนาน เท่าเท่ไรตั้งแต่อัตภาพนี้มีกี่ปีกี่เดือนในชีวิตของเราแบกทั้งแต่ทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสติดขึ้นมาทั้งนั้นทำไมไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอไม่ชินชากันสั บ, บ้างแล้วบ่นกันทําใหม่ทุก็ยอมรับว่าทุกอยู่นั่นจะว่างใหม่ไม่ไม่มีคําว่ากล่าวว่าใหม่ทุกและเกิดขึ้นมาเมื่อไรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยกระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจก็คือทุกนั่นแหละ เราเคยผ่านมาแล้วเราเกิดมาท่ากลางแห่งความทุกข์เพราะเป็นผลของกิเลสทีนี้เราจะประกอบความภาคเพียรเป็นธรรมดาที่จะต้องได้รับความทุกข์แต่ทุกเพื่อความสุขจะเป็นอะไรไปเราต้องมาเทียบเทียงที่ทุกอันนี้มีคุณค่าทุกอันนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยทุกจมไปเฉยทุกอันนี้ทุกมีคุณค่าการประกอบความเพียรเป็นความทุกข์แต่จะได้ความสุขขึ้นมาในอันดับต่อไปโดยลาดับเนีย่ย ควรจะมีแก่ใจอาฐานรื่นเดินต่อความภาคเพียรอย่าปล่อยให้กิดเลสเหยียบย่ําทําลายทั้งทั้งทัง้ที่เดินจงิญขมนั่งสมาธิภาวนานี่เอบทต่างๆส่วนมากมีแต่กิดเลสเหยียบย่าทำลายอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะกิดเลส ม, มันแหลมขมมากในตัวของเราในใจของเราทั้ ง, งดวงมีแต่กิดเลสที่ห้อมล้อมปิดบังไว้หมดมองหัดทำนิดหนึ่งก็ไม่เจอถ้ามีสมาธิทําบ้างก็เจอความสงบมองเห็นบ้างปัญญา ขั้นต่างๆือเริ่มมองเห็นไปโดยลําดับนี่จนกระทั่งถึงขังดด้นนิมมุบุตรพลแล้วทําไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมันก็เหนือมันแล้วไม่เหนือมันทำรามันไม่ได้มันไม่ได้หาชากประจากใจแหละทําไม่เหนือมันเพรา ะ, ะเราต้องทําให้เหนืออยู่เสมอต้องต่อสู้สมาธิมันมีความสงบ ฝึกหัดอ่านจนสงบบันเทาใจสงบไม่ได้ที่มันสงบไม่ได้กเพราะกิเลสมีกําลังมากหาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเรามีกําลังมากพอที่จะทําจิตให้สงบไปแล้วตั้งสงบจิตเป็นของสึกได้จิตเป็นของแย่งจากสิ่งที่ชั่วคือกิเลตนั้นได้การเป็นจิตที่ดีขึ้นมาความสงบสุขภายในจิตใจด้วยสมาธินั่นเป็นพื้นฐานแห่งความล่มเย็นของพระ ในขั้นเดิมแด้แห่งการปฏิบัติดังนั้นก็ความสงบเข้าไปเป็นลําดับเมื mm ่อ hmm. ควรจากการที่จะพิจพิิจนพิจารณาแล้วก็พิจรารณายกเอาทา่าเอาขันมันเป็นตัวอนิจจังทุกขังตาแบกมันอยู่เฉยๆนี่แหละอย่าไปแบกเฉยโดยไม่ได้รับประโยชน์แบกอนิจนาา จ, นนจังทุกขังตาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังตาให้เกิดประโยชน์โดยทางปัญญาของเรา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 ภาพหลอกหลอนที่มาจากที่เละเพราะสติปัญญาไม่ทันมันมันก็หลอกได้เป็นความจรงิงความตังเหมือนเป็นตัวจรงิงจริงๆนี่คิดเรื่องใดก็ตามเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วประการต่างๆมันจะเป็นภาพขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราขึ้นมาให้เครือนเพิ่มหลงไหลไปตามมันทั้งฝ่ายเพลิดเพลินทั้งฝ่ายเศร้าโศกมันเป็นความเหมือนกับว่าเป็นตัวจริงขึ้นมานั่นเรายังไม่เห็นโทษของมันเลยเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญา พินิพิจารณาพิสูจน์มันให้เห็นจึงต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเราใช้ยดายอะไรเรื่องความคิดความปรุงเหล่านี้มันเป็นมาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนประจำอยู่ตลอดขณะนี้ตั้งแต่วันเกิดมาได้ผลประโยชน์อะไรบ้างความคิดเลื่อนลอยตามอำนาจของจิเลสนี่เราจะคิดจะปรุงเรื่องอดัดเรื่องทําให้มีภายในจิตใจของเราให้เป็นเหตุเป็นผลเพื่อลบล้าง ความคิดปรุงอันจอมปลอมทั้งหลายออกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงดูความจริงของมันอย่างชัดเจนปล่อยวางกันได้หายสงสัยทำไมเราจะให้พรยจายาสิ่งที่มันแก้กันมีอยู่นี่หาแต่เรื่องผูกมัดมาใส่ตัวเองมันก็ได้แต่เรื่องผูกมัดหาความสงบสบายไม่ได้สรงตั้งแต่ผ้าเหลืองเฉยเฉยสงมากสรงผลไม่ได้ส่งทำยังง ผู้ปฏิบัติมาทํางานไม่จะผลได้ประโยชน์อะไรจากงานเลย เ, เลยกลายเป็นงานเหลวไหลเหลวแหลกไปเสียงานสมาธิก็เหลวแหลกเดินจงกรมก็เหลวไหลหนังน่งภาวนาก็เหลวไหลทําอะไรขึ้นชื่อว่าเป็นอัดเป็นธรรมมิได้ให้ขี้เดือดมาเหยียบย่ําทำลายเตะถีบแหลกไปหมดล้มเวลาไปหมดตั้งตัวไม่ได้นี่เป็นของดีแล้วหรือเราวว้ใจเราได้ไหมยอย่างนี้ แล้วเรายังจะนอนใจอีกต่อไปเหรือเราต้องคิดท บ, ท, บทวนย้อนหน้าย้อนหลังสินักพิจารณาไม่งั้นไม่หัดหัด ไ, ไม่งั้นหาทางแก้ตัวให้รอดพ้นกันไม่ได้จะถูกกิเลสเหยียบย่าทาลายหลอกหลอนนี้ตลอดเวลาสติปัญญาหม่พระพุทธเจ้าแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ได้วความเพียรเราถ้ามีความเพียรเพียนพินิจพิจารณาเพียนบังคับจิตใจที่มันดื้อด้านเนี่อ่ามันจะหมอกเนี่ย จิตใจเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้ทําสอนไว้ทําใหม่พระพุทธเจ้าและสามุคณาท่านฝึกได้มาเท่าไหร่แล้วจนกลายเป็นสร้างนางคาถาที่พวกเราเราจะฝึกใจของเราดวงเดียวเท่านี้ทำไมจะฝึกไม่ได้วะฮะมันขาดตกบกพร่องอะไรเสริมขึ้นมาผลิตขึ้นมาบำรุงขึ้นมามันมีกําลังได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละความขี้เกียจขี้แค้นเป็นกิเลสให้ทราบเสียะความอ่อนแอท้อแท้เป็นกิเลสทั้ง น, นั้นให้ทราบเสีย ผู้ปฏิบัติจึงต้องแก้สิ่งเหล่านี้ความอ่อนแอมันเป็นยีเดียจะแก้วิธีไหนเข้มแข็งฝืนกันสู้กันเนะี่ยความอ่อนแอท่อแท้ความเจ็บทานตั้งเป็นความขยนันความเข้มแข็งขึ้นมาความโง่เง่าตาตูนตั้งสติขึ้นมาให้ดีพิิพิจารณาทางด้านปัญญาแก้กันในตรงนี้ตรงนี้สิ่งที่แก้ ม, มีอยู่นอนกอดนอนจมอยู่เฉยทําไมแล้วจะหวังเอาประโยชน์อะไรทําไม่ ดำเนินตามหลักธรรมที่จะเป็นธรที่จะแก้สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลากายในจิตใจตนเรเราจะหาความสุขจากดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟสถานที่ต่างๆดินผ้าอากาศเป็นสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างละอย่างตามธรรมชาติของเขาจะเอามาเป็นเราเป็นของเราเป็นความสุขความสบายเป็นมรรคผลนิพพานได้ที่ไหนไม่มีที่จะเป็นไปได้นอกจากที่จะผิดขึ้นภายในจิตใจระหว่าง กิเลสที่เป็นค่าสืบกลับทำที่จะต่อสู้กันอยู่เวลานี้เพื่อเอาชัยชนะขึ้นมาภายในจิตใจของเหล่านี้ไม่มีทางอื่นเอาตรงนี้นะักปฏิบัติอย่าถอยตรงนี้เป็นชัยชนะเป็นสถานที่จะให้ชัยชนะแก่เราความขยันนั่นแลที่จะได้ผลมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นที่พอใจความขี้เกียจขี้คลานความเหมาะแรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นการต่างของกิเลสเดินปไปตามมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเพิ่ออมบุญกิเลสขึ้นมาจนจะยกไม่ขึ้น ก้าไม่ออกนี่เป็นของทีได้เหลือเอาใมันคล่องตัวเลยเราเกิดมาทําตามาความโง่ด้วยกันนั่นแหละไม่มีใครที่จะเป็นมหาบัณฑิดนักปรับจอมฉเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่วันเกิดมันเกิดมาด้วยความโง่ด้วยกันนั่นแหละพ่อขีเดียดทําผลให้โง่แม้ขี้เดียดจะเฉลียวฉลาดเพียงไรก็ตามมันยิ่งฉลาดในการทําผลให้งโง่เราก็ทรเพราะฉะนั้นเราจรึงเกิดมาทำกลางแห่งความโง่ นี่จะนำธรรมเข้าไปซักพอกไปแก้ไขทําลายสิ่งเหล่านี้ยังต้องปฏิบัติด้วยธรรมทุกก็ยอมรับว่าทุกตาเขาตายไปเถอะตายด้วยความภาคเพียร น, นี่ไม่เสียไม่ขาดทุนศูนดอกต้องยอมรับให้เห็นที่ทิพย์บุญญา ว, ว่าทุกขังละเอียดสจังทุกเป็นของจริงเราอ่านตั้งแต่ในหนังสือเหมือนนกขุนทองไม่เห็นความหมายอะไรนนั้นไม่เห็นความจริงในคําว่าทุกขังละเอียดสจังทุกเป็นของจริ ง, ง, จ, ร ง, ง, จ, รงจริงอย่างไร เราได้ค้นโดยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ทุกขังเลียสัจจังจะหาที่ค้านไม่ได้กราบเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าแบบตรงหน้านั้นเลยท่านเลยละหรือเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยจริงอย่างนี้เหรอเห็นทุกทุกกินอย่างนี้เหรือ น, นัเหตุที่จะได้เห็นทุกกินอย่างนี้ก็เพราะปัญญาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงร ต, าตามปกติของกิตนี้มันจะเหมาอโมอดร่างกายทั้งร่างมาเป็นเรา นี่คือกิเลสพาให้เหมากิเลสพระหลอกเข้าใจไหมไม่ใช่ของจริงกิเลสเป็นของปลอมมันหลอกเราก็ปลอมไปตามมันว่าร่างกายทุกส่วนเป็นเป็นเราเป็นของเราเวทนาสุขทุกขทั้งหลายเฉยๆเกิดเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทั้งกายเวทนาจิตเป็นเวทนาสัญญาตั้งขานวิญ ญ, ญาณคิดได้หมาลู้ปรุงแต่งต่างๆรับทราบก็เห็นได้เป็นเราเป็นของเราไปหมดกิเลสพาคว้านเอามาให้แบกให้หามในทุกยากลำบาก ขนาดไหนไม่ยอมเห็นโทษเพราะปัญญาไม่มีพอที่จะสอดส่องเห็นความจริงด้วยเหตุ น, นี้จึงทุกขังอริยสัจจังจึงเป็นโมฆะสาหรับเราที่เรียนแบบนกขุนทองอาปฏิบัติให้จริงจังลงไปที่คาพูดที่ว่าทุกขังอริยสัจจังจะเป็นโมฆะได้ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของเรานี่เป็นความจริงขอให้ปัญญาหยั่งถึงเถิดจะไม่ไปไหนเลยความจริงเราจะคว้าขึ้นมาจากความพุทธนา น, นี้จนได้แหละอืมงวันไทยอริยสัจจังก็ เ, เหมือนกัน เมื่อมันต่างอันต่างจริงเรายังไม่พูดถึงเรื่องสมุทัยอริยสัจจังละเอาให้มันทุกขังอริยสัจจังนี่ในขั้นของการนี้ะก่อนแล้วจะไปเห็นความจริงของกิตว่าเป็นสัจจะเหมือนกันมันเกิดที่ตรงไหนความทุกทุกที่ตรงไหนมันจะต้องหมายตรงจุดใดจุดหนึ่งจนได้ ว, ว่าตรงนี้เป็นทุกเพราะมันมีเนี่ยหนักเบาต่างกันในบรรดาทุกที่เกิดในร่างกายของเรานี้มันทุกที่ตรงไหนให้จับจุดนั้นให้ดีพิจารณาแยกแยะดู ทุกมันเป็นสภาพมระหนึ่งเป็นนามธรรมเป็นศัพทว่รู้ว่าทุกกายมันเป็นวัตถุกายเป็นมีรูปลักษณะมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรพิจารณาแยกดูกายให้เห็นชัดว่ากายนี้เป็นทุกยิ่งิ่งเหรอดูให้มันดีถ้ากายนี่เป็นทุกคนตายแล้วไปเผาไฟมันว่าไงมันไม่เห็นบุญเพราะระเมือต่างๆว่าเป็นทุกขเดือดร้อนนี่นั้นไปไหนถว่ากายเป็นทุกแล้วเผาไฟมันต้องดิ่นเลย คนตายแล้วเห็นดิ้นกายทาั้งๆที่กายมีอยู่น αι, เนี่ยเมื่อหนังเองนกระดูกแต่ละชิน้นอันโยนเข้ากองไฟมันว่าไงมันเห็นว่าอะไรแล้วทุกนี่มันเป็นอันเดียวกันได้ ย, ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นคนตายเราไปเผาไฟมันเห็นว่าเป็นทุกนี่นะงาแล้วก็ออกจากนั้นย้อนมาดูทุกทุกมันก็สักแต่ว่าทุกมันไม่มีรูปมีลักษณะมีผีสันดานนะ มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นความผิงขงมันอยู่เท่านั้นทุกทุกตัวทุกเองก็ไม่ทราบความหมายตนเองด้วยไม่ทราบความหมายของเราผู้ทิปไปหมายมันว่าเป็นทุกข์ด้วยกายก็เหมือนกันเนื้อทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยกายก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์และไม่ทราบว่าเบญธนามาให้ทุกข์แก่ตนด้วยเรายกเอาเพียงเอเรื่องทุกเวญนาขึ้นมาอันเดียวตั้งนี้ก็กระจายหมด ไม่ว่าสุขไม่ว่าอุเบกขาหละเพรามันเป็นนามธทําด้วยกันแยกแยะตรงไหนจ้าลงตรงนั้นสติจ้าลงนั้นปัญญาแยกแยะขึ้นไปที่ตรงนั้นไม่ยอมให้หนีไปไหนทุกข์ก็ทุกตาก็จะตายอยู่ จ, จุดจุดนี้จุดของจริงนี้คืออริยสัจจานี้ะไม่ต้องไม่ต้องอ ย, อยากอยากให้หายก็ไม่ต้องอยากความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแล้วอยากไม่ทํางานแต่อยากร่าอยากรวยมันจะเกิดอะไร พิกนาเราต้องการแต่ให้เห็นความจริงนี้เท่านั้นวันนี้ความจริงยังมีมากน้อยเพียงใดอ้างแสดงขึ้นมาให้เห็นฟาดกันลงไปด้วยสติปัญญาหมุนติ้วลงไปทุกมากก็แล้วเอาตายก็ตาย ต, ายตรงนี้จะ ต, ตายด้วยสติตายด้วยปัญญาไม่ได้ตายด้วยความโง่ไม่ได้ตายด้วยความอ่อนแอไม่ได้ตายด้วยความอยากให้ทุกดาบแต่จะตายลงไปด้วยความจริงสุดท้ายมันก็รู้เพิ่มาอ๋อทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้เหลอนั่นเต็มหัวใจแล้วกายก็เป็นของจริงอันหนึ่ง เวทนาก็เป็นของจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นต่างอันต่างจริงแม้ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นจิตจริงจรงจิตมันก็ไม่มีในจิตจิตก็เป็นจิตถ้าเอาจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปทำไมจิตก็ดับไปด้วยนั่นทุกข์เป็นจิตถ้าเอาว่าทุกข์เป็นจิตจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปจิตต้องดับไปด้วยนี่จิตไม่ดับทุกข์อันนี้เพิ่งเกิดมาแล้วเพิ่งดับไปนี้จิตมีอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่มันจะเดินเดียวกันได้อย่างไรนี่ แยกด้วยสติแยกด้วยปัญญาแยกจนเห็นชัดเจนแล้วทุกครั้งแล้ยกจจังไม่ต้องพูดเด่นทีเดียวอ่อาอ้าวทีนี้มันจะตายในขณะนั้นเขาตายเถอะถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วจะไม่มีการเขาต้องเทือนถึงจิตใจเลยแต่มันไม่ตายนะเรื่องกลัวตายก็เรื่องมันหลอกตัางหาก น, นี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบเรื่องอริยสัจนะ ไม่เอี่ยมอยู่ในจิตทุงเหล่านี้ไม่ได้มีคําว่ากี่ร้อยกี่พันปีที่พระพุทธเจ้าปฏิพาน์ไปแล้วอืถ้าเป็นวัตถุต่างๆมันก็สิ้นการสิ้นสมัยไปแล้วแหละอืมเป็นผุยเป็นผงไปหมดแต่ทำของจริงนี้ลบไม่ศูนย์เมื่อเป็นฉะนั้นจะว่าเก่าว่าใหม่ได้ยังไงจะว่าอาดีตเราตได้งไงเป็นของจริงในวงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของเหล่านี้เห็นชัน ด, ดๆสดสดร้อนๆทุกครั้งที่จะจังก็สดสดร้อน สมุททยยะอริยะจังก็ ส, สดสร้อนร้อนมากนี่โรดอริยสะสจังก็ ส, สดสร้อนร้อนยูภารนอกิจนี้จึงไม่ เ, เรียวกว่มามัดชิมมาเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาด้วยความจริงตนอยู่เสมอไม่มีคําว่าอดีตอนาคตพิจารณาลงตรงไหนเอาให้จริงให้จังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอย อ, อ่อนแไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางให้มีความสุขความเจริญไม่ใช่ทางแก้ที่เลสนอกจากเป็นทางพ่อพูณตาง กิเลสขึ้นมาภายใจิตใจเท่านั้นทํางอกไม่ได้ทําจะงอกขึ้นได้ด้วยด้วยความขยันมั่นเพียนความหนักก็เอาเบาก็สู้ใช้ด้วยสติปัญญา ต, ตาห ม, มั่นเลี่ยนไม่ล้นละนี่ทําเกิดขึ้นในตรงนี้ให้ยึดเอาตรงนี้อืทุกขนาดไหนก็ตามถ้าทุกด้วยวิธีการที่จะแก้กิเลสทุกด้วยวิธีที่ทําจเลยขึ้นพายในใจอ่ะทุกเถอะฮทุ่มมันลงไปเขาจะคาดเอากําไรเขาต้องลงทุน อยู่ๆจะเอาคำรมาจากไหนไม่มีทุนไปซื้อมาก่อนอันนี้ทุนก็คือต้อนทุนก็คือทุกความเพียร น, นี่แหละต้นทุนของทุกทลายฟาดมันลงไปถ้ามันเห็นชัดๆภายในจิตเนี่ยกิเลสมันล้างไปจากจิตใจมันเป็นยังไงกิเลสลุมล้ออยู่ภายใจิตใจทั้งวันทั้งคืนอยู่แน่นอนตั้งกับตั้งกันหาที่โปร่งที่วางไม่ได้มอบร่าอยู่กับกิเลสตลอดเวลามันเป็นยังไงฮะ พิเลศสิ้นสรางไปจากจิตใจแล้วจิตเป็นยังไงทำไมันได้เห็นแค่เขาที่เขาสอนเพื่อเห็นนี่แท้ๆไม่ได้สอนเพื่ออะไรนี่นะเราพูดแล้วก็คันฟันนะเพราะไม่ได้พูดด้วยความรุนเบาทพูดด้วยความจริงจังจริงๆนี่หน้านี่หน้าอยู่อย่างนี้นะ่ะออทําไมจึงไม่เห็นไม่รู้กันครับหรือไม่ปฏิบัตินี่ยท่านมา่าขยันก็อ่อนแอเสียท่านว่าช้าลาก็ง่เสียท่าตั้งสติก็เผลอเสียมันลบล้างศาสนธรรมตลอดเวลาก็เหมือนกับรบล้างตัวเองทำลายตัวเองตลอดเวลานั่นเอง เราพาการตั้งอกตั้งใจ น, นะพาที่มาบวมใหม่ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติคอยเงี่ยวหูฟังหมูขั้วครูบาอาจารย์มีความขยันนั่งเพียรตื่นดึกลูกค้าทําการทํางานอะไรให้เข้มแข็งอย่าอ่อนแอนั่นเป็นสัยของคารวะของโลกเอาหาประมาณไม่ได้ไม่มีขอบมีเศษมีเหตุมีผ ล, ลาารักษาธนชัมเป็นของมีเหตุมีผลให้พากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ชีวิตของเราในเป็นความเป็นนักบวชให้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราจึงคัดตีคุณค่าไปตามตามอ่าเอาละหยุดที่นี่ก่นอนผมเสร็จแล้ว